ตัติยาวิพัฒยันตปัทะบทที่มีตัติยาวิพัฒอยู่สุดท้ายตัติยาวิพัฒในที่นี้ก็คือนาและหิเอกพจนาภูภพ ห, พหิทั้งหมดตัติยาวิพัฒแปลว่าด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งในที่นี้ยังแปลว่าทางแปลว่าด้านแปลว่าข้างด้วยเองนะตัติยาวิพัฒโดยทั่วๆไปเนี่ยใช้ในอัดเจ็ดอย่างใหญ่ๆ มีแปลกหรือว่ามีมากกว่านี้ก็มีบ้างแต่ว่ามีใช้เพียงเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่จะใช้ในอัเรจอย่างนี้คือหนึ่งกลรณธะตุอัดที่ใช้ทำเป็นเครื่องมือเครื่องมือคาว่ากลรณะนี้คืออุปกรกรณะแปลทับศัพท์ ว, ว่าอุปกรณ์อุปกรณ์ช่วยในการทำกิริยาให้สำเร็จกิริยาบางตัวถ้าไม่มีเครื่องช่วยก็ถือว่าไม่สาเร็จจริงๆอย่างเช่น เห็นรูปสงสัยว่าเอเห็นรูปอะไรอะไรเป็นเครื่องช่วยในการเห็นรูปใช่ไหมมันก็ต้องถามหาเครื่องช่วยว่าด้วยตาอีกเห็นรูปด้วยตา ใ, ในนั้นารณะเนี่ยเป็นเครื่องช่วยให้ทำสำเร็จกิริยาได้ง่ายสองอนาพหิตะกัตตาอนนพหิตะกัตตา ตัติยาวิพัฒนที่เป็นกัตตาคือทรรมกิริยาในประโยคกรรมก็จะแปลตัติยาว่าอันเช่นสูเทนะโอทโนปั จ, จเตข้าวอันพ่อครัวหงอย่างี้ก็จะแปลว่าอัน 3. เหตุวัฒฐานนอัตเหตุแปลว่าเพราะอย่างเดียวเพราะนั่นเพราะนี่สสหทิโยคัตถะประกอบคู่กับสหสับเป็นต้นจะมีสหสัตทิงวินานานานามีหลายตัว แต่ว่ายกมาเพราะสองตัวนี้มีใช้มากที่สุดแปลว่าพร้อมด้วยหรือกลับด้วยสหและสัททิ้งเนี่ยแปลว่าพร้อมแปลว่ากลับเข้ากับตัดตัดปยาก็แปลว่าด้วยก็แปลว่าพร้อมด้วยกลับด้วย 5. ้สัตมยัตถะเป็นตติยาจริงแต่แปลเป็นเหมือนสัตมีวิพัตน์เลยแปลว่าไหน 6. วิเศสนัตถะใช้ในอัตวิเศสนะขยายกิริยา กริยาว่าอย่างไรก็ขยายกิริยาตามนั้นโดยแปลว่าโดยบ้างข้างบ้างตามบ้างโดยตามข้างอย่างใดอย่างหนึ่งตามสมควรเจร็อินทัมภูตักขานะใช้ในิอัดว่ากล่าวตามความเป็นจริงให้แปลว่ามีแปลว่ามีเช่นมโนปุพังขมาธรรมามโนเสรษามโนมยามานาสาแปลว่ามีใจมานาสามีใจ เดี๋ยวเราก็จะเห็นอุทาหอนเหล่านี้ดูไปตามลำดับ 1. ตัติยาวิพัฒน์ในอัจกรณะแปลว่าด้วยโดยหรือทางด้วยโดยทางข้อหหัตถเณรนะกรร ม, มังกังโรติกังโรติไม่ต้องหาประธานมาแล้วตอนนี้นะบางประโยคก็ไม่จำเป็นต้องมีประธานกังโรติย่อมกระทํากรร ม, มังซึ่งการงานซึ่งงานหัตถเณนะด้วยมือ บางคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมมีมือข้างเดียวเลยลงเอกภพทำงานด้วยมือมือขี่ข้างทำไมลงเอกภพคือปกติเวลาเราเห็นทำอะไรส่วนมากามากับมักจะเห็นทำมือข้างเดียวนั่นแหละอีกข้างหนึ่งก็สลับกันทำจะมีทำพร้อมกันบ้างก็บางครั้งแค่นั้นแหละแต่ส่วนใหญ่ก็จะทำอะไรกท็ทำมือหนึ่งข้างเป็นส่วนใหญ่ทำมือหนึ่งข้างเป็นส่วนใหญ่ คนถนัดขวาก็ใช้แต่ขวาคนถนัดซ้ายก็ใช้แต่ข้างซ้ายข้อสองจักคูนารู ป, ปังปัสสติปัสสติแปลว่าเห็นแปลว่าดูกรู ป, ปังซึ่งรูปจักคูนาด้วยต า, ยตาเห็นรูปด้วยตาดูรูปด้วยตาสามมานะสาธรรมบังวิญญายะ วิญญายะเป็นตวาปัจจัยในกิปแปลว่าแล้ววิญญายะรู้แล้วทำมังซึ่งทรมณส า, าด้วยใจรู้ทรรมด้วยใจญญย ก, ยกิริยาตวาปัจจัยกิริยากิบตวาปัจจัย โดยปกติแล้วธาตุที่ลงท้ายด้วยสระอาเช่นยาธาตุทาธาตุถาธาตุพวกนี้นะถ้าลงตาวะผัสใจแล้วตาวาจะเป็นยะยาธาตุลงตาวะจึงเป็นยายะวิอยู่ข้างหน้าซ้อนยะอีกตัวหนึ่งก็เลยเป็นวินยายะถ้าเขาแปลในสมนวนแปลทั่วๆไปเขาจะแปลว่ารู้วิเศษแล้วเราก็แปลว่ารู้แล้วนี่แหละข้อ4ี่ ธาตเตนะวีหโยรุณาติธาตเตนะวีหโยรุณาติรุนาติย่อมเกี่ยววีหโยซึ่งข้าวทั้งหลายธาตเตนะด้วยเขียวใช้เขียวเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวด้วยเขียว <S <S เคยเกี่ยวข้าวบ้างไหมใครเคยบ้างอยู่เนี่ยย้มือเลยสิ มีแต่พระองค์เดียวเองเลยเคยเกี่ยวข้าวอ่าชายทางใต้เขาเรียกว่าเด็ดข้าวเอาแต่คอรวงมันอะแล้วเคียวเขาก็ไม่มีเขาเรียกอะไรแผ่นเล็กๆเนี่ยเขาเรียกอะไรมีดเหรอเขาเรียกแกะใช่ไหมอ่า ด้านตา น, ตานใส่ใส่มีดคมๆใบเดียวจับไว้ก็ะดี๊ป๊าปๆๆเต็มกำแล้วก็ใส่กรรนี้เอาแค่คอรวงมนั่นนะแล้วก็มัดมัดเสร็จแล้วก็เอารวงนั่นแหละมาเก็บในยุ้งเลยไม่ในนวดจะไปสีเมื่อไหร่ค่อยมานวด <c oughs> เก็บไปอย่งนั้นเลยทางใต้อนะทางใ ต, นะงใต้ส่วนทางอีสานทางอื่นก็ใช้เขียวเกี่ยวเกี่ยวมาทั้งทั้งทั้งต้นนะ เอาคอ เ, เอาคอรวงมาทั้งต้นเกี<อ>่ยวขาโอ้มันยากเหมือนกันนะเกี่ยวขาเนี่ยไม่ใช่ง่า ย, ายนะส่วนมากเขมีตะเกี่ยวบทางหน้าจะมาเกี่ยวขาตัวเองไม่รู้จะตึงยัง <laughs> ส่วนมากจุดที่เกี่ยวข้าวนอกจากว่าเป็นข้าวเป็นข้าวนาทรายที่มันต้นตี๋จริง ๆ, ๆเขาถึงจะเกี่ยวลึก ปกติเกี่ยวข้าวมันระดับอกนี่นะสูงนะดังนั้นถ้าต้นข้าวมันสูงสูงเนี่ยเขาจะใช้เขาเรียกว่ามอบเขาว่ามอบก็คือเอาเอาไม้ไปดันให้มันล้มลงครับอยู่ในระดับที่มันไม่ต้องยกแขนสูงอะ่ะให้มันล้มเอ็นไปก่อนเกี่ยวเอาเงี้ล้กันปีหน้าพาไปเกี่ยวข้าวต่อไป ข้อห้อคีนาตินกลาปังชาเปติชาเปติย่อมเผาติณกลาปังตินะแปลว่าหญ้ากลาปังแปลว่าฟ่อนแปลว่ากองติณกลาปังซึ่งฟ่อนหญ้าซึ่งกองหญ้อาอคินาด้วยไฟเผากองหญ้าด้วยไฟ ต่อไปข้อหกอ่าเป็นนา เ, เปท่านจะแปลอย่างเนี้ยเวลาขยายแปลแต่ถ้าจะแปลแบบให้มีนาเปก็ตีนัคลาปังยังกองยา้าชาเปติให้ใ ห, ให้ไหมอคีนาด้ไฟแต่นี่เราไม่ต้องแปลขนาด น, นั้นต่อไปข้อ6ทางระโกปาเทนะคามังคัตฉิตทางรัโกเด็กชายคัตฉิตไปคามังสู่หมู่บ้านปาเทนะ ด้วยเท้าหรือโดยเท้าด้วยเท้ า, ทาข้อ7ทางริการโยสกเตนะมขั้งรังคัดฉันติทางริกาโะกะนะนะ ร, ารกายโยเด็กหญิงทั้งหลายคัดฉันติไปมนะขั้งรังสู่เมืองสะกะเตนะโดยเกวียนถ้าเป็นเครื่องโดยสารก็แปลว่าโดย โดยเกวียนสักกตะเนี่ยแปลว่าเกวียนข้อ8ปุงริโสอาคิณรเถนะเทวะมหานครกลังคัตชติปุงริโสบุรุษคัตชติย่อมไปเทวะมหานครกลั ง, งสู่กรุงเทพมหานครอาคิณรัถเนะโดยรถไฟนะโดยรถไฟ รัฐราาัฐไปว่างรถอัคีบวกราาัฐอัคีก็แปลว่าไฟรัฐก็แปลว่ารถรถไฟอัคีอคีรถต่อไปข้อ9มนุษยานาวายะชนบุรีนะข้างสั ง, งอาคัตฉันติมนุษยสามนุษย์ทั้งหลาย อาคัันติย่อมมาชนบุรีนข้างรังสู่จังหวัดชนบุรีนาวายะโดยเรือนะโดยเรือเดินทางมาชนบุรีโดยทางเรือถ้าไม่โดยแล้วก็แปลว่าทางได้นะแปลว่าทางเรือทางรถไฟทางเรืออะไรอย่างนี้ได้ด้วยโดยทาง <c oughs> อ๋อทางบกไม่มีจริงๆคําว่าทางเรือเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ทางเรือถ้าจะว่าทางจริงต้องว่าทางน้ําแต่ว่านาวาเนี่ยไม่ได้แปลว่าน้ําแปลว่าเรือไปทางเรือเนี่ยเหลยไปชนบุรีเนี่ยอุ้ยเขามีอยู่เรือนําเที่ยวเรือสําราญอะไรนะ่ะเยอะแยะเลย เนี่ยเนี่ยาเตียนเนี่ยมีเรือไปเกาะสีชังไปชนเป็นประจำรถยนต์ก็ยันตระเถนะต่อไปข้อส0สามเณรโกรยันตะนาวายะสีชังพีปังคัตชาติสามเณรคัตชาติไปสีชังพีปัง สู่เกาะสีชังยันตะนาวายะโดยเรือยนต์โดยเรือยนต์ทางเรือยนต์นาาสแสดงว่านาวายะอันก่อนเนี่ยไม่ใช่มียนตนะ์นั้นน่ะสงสัยพายไปมัง้งข้อสิบออาคัตฉศินุขึ้นด้วยกิริยาเป็นคำถามมีนุมีบาทบอกคำถามด้วย อาคัตฉะิณุตวังอาวุโสณขั้นกลางอาคิกระเถนะตวังท่านอาวุโสก่อนอาวุโสท่านผู้มีอายุตวังท่านอาคัตฉะสิย่อมมาณขั้นกลังสู่เมืองอคีรเตนะโดยรถไฟนุหรือนุหรือ โน อ, อ, อยู่ตรงไหนก็ได้ <No. S 2> อยู่ตรงไหนก็ไ ด, ได้แต่ว่านิบาศบอกคำถามเนี่ยมักจะอยู่ตาแหน่งที่สองของปร ะ, ยะโย<อ>คคำขึ้นหน้าเนี่ยเป็นคำไหนก็ได้หรือบางทีก็อยู่ข้างหลังก็ไม่แน่แต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ตาแหน่งที่สองของประโยคแปล ว, ว่าผู้มีอายุท่านมาสู่เมืองโดยรถไฟหรือ มาโดยรถไฟหรือรถยนต์หรือรถอะไรก็ถามไปได้อคิณกระเถเนวายันตังกระเถเนวาอากาศยาเนนวาอะนั่งรถมาหรือนั่งเรือมาหรือว่านั่งเครื่องบินมาอืต่อไปข้อสิบสองนาหังพันเตอคิณกระเถเะทังกำลังอาคัตฉามิ นาหังก็คือนอหารนาปฏิเสธนะอหางพันเตก่อนพันเต่เตท่านผู้เจริญอาหังข้าพเจ้าอาคัตฉามิมมานาปฏิเสธด้วยว่าณอาคัตฉามิย่อมไม่มาณข้างกลางสู่เมืองอคิณระเทนะโดยรถไฟไม่ได้มาโดยรถไฟ ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ได้มาเมืองโดยรถไฟแล้วก็ไม่ได้บอกเขามาโดยอะไรอาจจะโดยรถยนต์หรือไม่ก็โดยเครื่องบินก็ไม่รู้ถามวามารถไฟหรือบอกว่าไม่ใช่ครับแล้วเขาไม่ได้ถามต่ออาแล้วมาทางไหนก็จะได้ตอบข้อสิบสามยะถาทันเดนะโคปาโล คาโวปาเชติโคจังรังเอวังชังราจะมัจจุจะกอายุงปาเชนติปานิหนังยะถาชันใดเอวังฉันนั้นเป็นอุปมาและอุปไมยทันเดนะแปลว่าด้วยไม้ด้วยท่อนไม้ด้วยไม้เท้าด้วยไม้แทะเอ า, อางี้แล้วกันคนเลี้ยงโคเขาจะถือไม้อะไรละ่ะเขาจะมีไม้อันหนึ่งใช่ไหมตน้น เดไม้ไปไล่ต้อนฝูงโคให้เดินบางคนก็ถือไม้เท้าคนก็ถือไม้แทะฮะ ไ, ไม้พรองเลยโอ้ไปเลี้ยงโคถือไม้พรองเลยอืมไม้เรียวไยวไ้ตีคนไม้แท้ไว้ตีสัตว์ไม้ปะตักอะปะตักเวลาก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาจะมีปะตักอันหนึ่งยา ว, ยาว ท่านท่านดะาเลอทันดะกเขาแปลว่าด้วยท่อนไม้ด้วยท่อนไม้โคปาโลก็แปลว่าคนเลี้ยงโคแปลทับศัพท์ก็ว่านายโคบานนายโคบานคนเลี้ยงโคคาโวเป็นทุติยาวิพัฒนซึ่งโคทั้งหลาย ปาเชติแปลว่าย่อมต้อนไปย่อมต้อนไปโคจงรังสู่โครจรสู่แหล่งหาอาหารของโคสู่ทสู่ที่หากินเหมือนกันเวลาพระไปบิณฑบาตเ็าเรียกว่าสู่โครจรจาริกไปสู่โครจรถ้าที่โครจร อ, อยู่ใกล้หมู่บ้านเ็าเรียกว่าโครจรขาม ยะถาฉันใดนายโคบาลต้อนโคทั้งหลายไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ฉันใดเอวังก็ฉันนั้นชังราจะความแก่ด้วยมัดจุจะความตายด้วยปาเชนติย่อมต้อนไปย่อมต้อนไปปานินังซึ่งสัตว์ทั้งหลาย ปานิหนังซึ่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์มีชีวิตนั่นแหละนะปานีแปลว่าสิ่งมีชีวิตปานิหนังซึ่งสัตว์ทั้งหลายอายุนะอายุแปลว่าสู่คเสิ้นอายุสู่หรือสิ้นอ๋อ อายุอายุแปลว่าชีวิตวตินสีเขาบอกว่าวปานินังซึ่งสัตว์ทั้งหลายอายุผู้มีอายุหรือจะบอกว่าวด้วยอายุอย่างนี้ก็ได้อายุ หรือจะแปลว่าสู่อายุอย่างนี้ก็ได้ในคาถานี้แปลว่าอย่างนี้นายโคบานต้อนโคไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ชันใดความแก่นะเอาก็เดี๋ยวก็โจด <c oughs> เดี๋ยวก็าจทย์ <c oughs> เดี๋ยวก็โจด <c oughs> ยังไม่ได้ให้โจทย์ด <c oughs> เดี๋ยวก็ให้โจดเดี๋ยวให้จดยความแก่ให้ความตาย ความแก่และความตายก็ต้อนสัตว์ทั้งหลายไปด้วยอายุด้วยอายุอายุเห็นเป็นทุติยาจริงไอเ ป, ปเป็นทุติยาแต่แปลว่าเป็นทัติยาชีวิตตินสีก็หมายความว่าชาติอชาชลาและความแก่ นะชาลาอย่างหนึ่งความแก่อย่างหนึ่งเป็นผู้ต้อนสัตว์มีชีวิตไปในขณะที่ต้อนได้อยู่ก็คือในในระหว่างที่ยังมีอายุอยู่นี่แหละชใช่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดชีวิตไปแล้วก็ไม่ต้อนไม่ได้ละเอาทั้งหมดอายุแล้วชาลาจะต้อนได้ยังไงมันก็ไม่แก่แล้ว <c oughs> ความตายมันจะต้อนได้ยังไงก็ตายไปแล้ว อะไรนะเดีบบ๋ยวค่อยแปลเรานี่ทานก่อนที่มาคาถานี้มาจากขุธกรนิกายธรรมบทพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบห้าข้อหนึ่งร้อยสามสิบห้าหน้าสี่สิบเรื่องนางวิสาขา <c oughs> ถ้าเล่าเรื่องนางวิสาขาต้องเล่าสามเดือน <c oughs> แต่วันนี้เล่าวันเดียว <c oughs> เพราะว่าจะเล่าเฉพาะ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคาถาเนี่ยในบรรปรายของชีวิตนางวิสาขาเนี่ยได้สร้างธรรมศาลาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อสร้างสาลาเสร็จแล้ววันทำบุญฉลองศาลาเนี่ยเธอเดินประทักศิลสาลาแล้วก็หัวเราะบ้างร้องไห้บ้างผู้คนเห็นเข้าก็คิดว่านางวิสาขาเนี่ยคงจะเสียสติแล้วละ่ะ คงจะเสียสติแล้วทําไมจึงเป็นอย่างนี้ไปแล้วก็เลยมีการโจดจานกันบางคนก็นําไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่านางวิสาขาไม่รู้เป็นอะไรไปแล้วเดินเดินอยู่เดี๋ยวหัวเราะเดียวร้องให้พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าเรื่องนางวิสาขาให้ฟังถึงอดีตชาติว่าอดีตชาตินั้นานางวิสาขาเป็นใครมาจากไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อหนึ่งแสนกับที่แล้วในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระปัทุมุตตระในสมัยพระปัทุมุตตระนีเนี่ยนางวิสาขาเนี่ยเป็นเพื่อนของผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อนผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นอุปถาญิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปัทธมุตตระนี่แหละ วันหนึ่งอุปถายิกาคนนั้นกับอดีตนางวิสาขาเนี่ยไปที่วัดสังเกตเห็นเพื่อนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะ่มีความคุ้นเคยกันเหมือนนางวิสาขากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวะโคตมะมีความรู้สึกคุ้นเคยเป็นกัเ น, นเองกับพรพุทธเจ้าพอได้โอกาสก็เลยถามว่า คุถามพระพุทธเจ้านะผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรของพระองค์พระพุทธเจ้าตราตัสตอบว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นอุปถายิกาที่ดีที่สุดของเราเมื่อได้ยินว่าเป็นอุปถายิกาตอนนี้อยากจะเป็นบ้างอยากจะเป็น ก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าข้าพระพุทธองค์อยากจะเป็นบ้างจะได้ไหมจะสําเร็จไหมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสําเร็จได้ถ้าอยากจะเป็นก็ทําได้พอรับอย่างนี้เท่านั้นแหละรีบกราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขอนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์หนึ่งแสนรูป ไปฉันอาหารที่บ้านของตนตลอดเจ็ดวันตลอดเจวันแสนรูปพระพุธเจ้าหนึ่งพระอราหันตสาวกหนึ่งแสนรูปไปฉันที่บ้า น, นก็ฐานะสมควรนะเพราะว่าอุธาธยกาของพระพุทธเจ้าเนะี่ยก็ฐานะดีเหมือนักวิสาขานี่แหละนี่เป็นเพื่อนรักกัน <c oughs> พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปสวย ที่บ้านของผู้หญิงคนนี้ทุกวันทุกวันจนถึงวันที่เจ็ดพอถึงวันที่เจ็ดแล้วได้ตั้งความปรารถนาต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทานที่ข้าพระเจ้าได้ถวายตลอดเจดวันนี้ขอจงเป็นปัจจัยให้ได้เป็นอุปถายิกาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคต พระพุทธเจ้าปัทมมุตตะละก็พิจารณาว่าจะสําเร็จได้ไหมทําบุญเท่านี้จะทําได้ไหมก็พิจารณาไปพิจารณาไปก็เห็นว่าเป็นไปได้ก็เลยตรัสพยากรณ์ให้ได้ยินว่านับจากนี้ไปอีกหนึ่งแสนกับข้างหน้าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะอุบัติขึ้นเธอจะได้เป็นอุปถายิกาของพระองค์พยากรณ์ไปเท่านี้ พอได้รับพยากรแล้วก็มีความรู้สึกพอใจมีความสุขมีปีติมากจึงได้รีบทำความดีทุกอย่างเท่าที่จะทำได้จนตลอดชีวิตพอสิ้นชีวิตไปจากสมัยนั้นแล้วก็ไปเกิดในมนุษยโลกบ้างในเทวโลกบ้างเวียนว่ายตายเกิดอยู่หลายพบก็ลองคิดดูว่าแสนกลับไม่รู้จะเกิดกี่ครั้งนะมาจนถึงสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะก่อนโคตมอีก ยังไม่ได้เกิดปุ๊บนี่ทีเดียวเลยได้ถวายทานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะความปรารถนาเดิมที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่แสนกับที่แล้วเนี่ยนะมากระตุ้นเตือนอีกแหละให้เกิดความรู้สึกว่าอยากจะเป็นอย่างนี้อีกก็เลยได้ตั้งความปรารถนาซ้ําอีกกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะก็ไม่ได้ตัดอะไรมากเอวังหัวตุ้น เอวังโหตุจงสำเร็จอย่างนั้นจงสาเร็จอย่างนั้นเธอตั้งปรารถนาไว้ไว่าอย่างนี้ว่าขอให้ข้าพเจ้าจงได้รับตำแหน่งอุปัฏฐายิกาชั้นเลิศที่สุดในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไป ขอให้ข้าพเจ้าจงได้ดำรงอยู่ในตำแหน่งมารดาของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้อุปธรมด้วยปัจจัยสี่ตลอดไปถัาอุปถัมภ์ให้เฉยนี่ยังไม่เท่าไหร่ตั้งอยู่เหมือนกับเป็นแม่คนหนึ่งของพระพุทธเจ้าเลยจะเอาใจใส่ดูแลขนาดนั้นละอากัส ป, ปะก็อนุโมทนาว่าเอวังโหตุจงสำเร็จอย่างนั้นเถิด จนมาสมัยเนี้ยมาเกิดในตระกูลของทนนนชัยเศรษฐีห ล, ลานของเมนดากะเศรษฐีนี่แหละนามิสาขาเป็นหลานของเมนดะกะเศรษฐีพอเกิดมาแล้วก็ในที่สุดก็ได้รับแต่งตั้งเป็นอุปถายิกาเอกของพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็ได้รับพรแปดข้อใช่ไหยได้รับพรแปดข้อเดี๋ยววันหลังเล่าเรื่องนามิสาขาจะนํามาเล่าให้ละเอียดให้ฟัง ยาวๆาวเรื่องอะไรดังนั้นพอเธอสมความปรารถนาทุกอย่างที่ตั้งความปรารถนาไว้ดังนั้นการสร้างธรรมศาลาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นการทำได้สำเร็จตามความปรารถนาครบถ้วนเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วในขณะที่เวียนปักษินรอบศาลาวันฉลองนั้นนะ ละลึกถึงอดีตชาติบ้างละลึกถึงกรรมที่ทํามาในอดีตบ้างอันกรรมไหนที่พึงพอใจก็หัวเราะกรรมไหนไม่พึงพอใจก็ร้องไห้คนก็เลยโจดจานกันว่าไหนว่านางวิสาขาเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วทำไมยังหัวเราะยังร้องไห้อยู่ดังนั้นพระพุทเจ้าพรพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยตรัส ก, กับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายใครจะเป็นอย่างไรไม่สําคัญเลย สำคัญอยู่ที่ว่าคนเกิดมาในโลกนี้แล้วจะถูกชะลาและมรณะต้อนไปเหมือนกันทุกคนเหมือนกับนายโคบานต้อนฝูงโคไปด้วยท่อนไม้ชั้นนั้นและพระพุทธองค์ก็ตรัสคาถาเนี่ยตรัสคาถาว่านายโคบานต้อนโคไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ชั้นใดชะลาและมรณะ ก็ต้อนสัตว์มีชีวิตทั้งหลายไปชั้นนั้นเขียนคาแปลทีนี้นตอบไปแล้วไหมย้อนไปดูอดีตว่าเธอสมปรารถนาที่ตั้งปรารถนาไว้ใช่ที่เป็นอย่างนั้นว่าสมสมปรารถนาทุกอย่างแล้ว เขียนนายโคบานนายโคบานต้อนฝูงโคต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ฉันใด นายโคบานต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ชันใดความแก่และความตายความแก่และความตายก็ต้นสัตว์มีชีวิตความแก่และความตายก็ต้อนสัตว์มีชีวิตไปฉันนั้นเหมือนกัน นั่นแหละมีชีวิตนี่แหละแปลแล้วปามีนั่นแปลว่าสัตว์เฉยๆอายุนี่แปลว่ามีชีวิตความแก่และความตายก็ต้อนสัตว์มีชีวิตไปฉันนั้นเหมือนกันหนังที่ท่านยกมาทั้งหมดไหมคะก็เป็นภาษาบาลีทั้งหมดใช่ฉบับบาลี อ้างมาในเป็นฉบับบาลี<ม>ก็อ่านได้ตามฉบับแปล<ม>ก็มีแปลเหมือนกันแต่ว่าในธรรมบทจะมีเฉพาะคาถาแค่นี้เรื่องเราไม่มีเรื่องเราต้องไ่อ่านจากอัตถกาถาจากดีกาเอาแปลทีเนี้ยตั้งแต่ข้อหนึ่งฮเทนะกัมมังกังโรติ ย่อมกะระทางานด้วยมือจากคุนานรูปังปัสสติย่อมเห็นซึ่งรูปด้วยตาย่อมรู้ซึ่งทมด้วยใจยถ้าเตนะวีหยโยลุนาติ ย่อมเกี่ยวซึ่งข้าวทั้งหลายด้วยเคียวอคินาตินากาลาปังชาเปติย่อมเผาซึ่งก้อนหญ้าด้วยไฟคาทานราโกปาเทนะคามังคัชาติเด็กชายย่อมไปสู่หมู่บ้านด้วยเท้า อานอิกโยสะกะเตะนะนะข้างรังคัดฉันติเด็กหญิงทั้งหลายย่อมไปสู่เมืองโดยเกวียนปุงริโสอคิณระเทนะเทวมหานครกลางคัดฉันติย่อมไปสู่กรุงเทพมหานครโดยรถไฟ มนุษย์สานาวายชนบุงรีนครังอาคัดฉันตีมนุษย์ทั้งหลายย่อมมาสู่จังหวัดชนบุงรีโดย เ, เรือสามเณรโรยันตะนาวายศสีชังทีปังคัตฉัติสามเณรย่อมไปสู่เกาะสีชัง โด ย, ยเรื อ, อยนต์อาคัตฉะสิโนตวังอาวุโสณข้างรังอาคิงระเถนะผู้มีอายุท่านย่อมมาสู่นครโดยรถไฟหรือนาหังพันเตอาคิงระเถน ะ, นะ้าคังรังอาคัตฉามิ ท่านผู้จังเรินข้าพระเจ้าไม่มาสู่เมืองโดยรถไฟยะถาทันเดนะโคปาโล้าโวปาเชติโคจังรังเอวังชังราจะมาจูจะอายุปาเชติปานินังนายโคบาล ต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ฉันใดความแก่และความตายก็ต้อนสัตว์มีชีวิตไปฉัน น, นั้นเอาละสงสัยตรงไหนไหมปาเชติมาจากธาตุอะไรรู้ไหม มาจาก่าอะไรมาจากท่าอะไ ร, ไะไรปลาเชติอะไรนะ <ปา S 1> ไม่ใช่ปลาชะก็ับปชะปชะคะติมหินอัดว่าไปแล้วก็ลงเนปัจจัยนะลงเนปัจจัยปาเชติแปลว่าต้อนไปฮนะ ปัชชาธาต์ไม่รู้มีไหมดูสิปัชะชะอืมอย่างนั้นก็ไม่มีอันนี้ไม่มีคติมมหิปัชชะคติมมหิในอัตว่าไปเนปัจใจปัชะชะบวกเนบวกติเหมือนกันกับโจเรตินั่นแหละเดียวกัน ปะชะเนติปะชะเนติลบนาแล้วก็บุธอเป็น อ, อเป็นจุลาที่คณะอ่ะต่อไปดูภาคภาษาไทยเป็นภาษาบาลีมีสีข้อ ข้อหนึ่งท่านย่อมมาสู่หมู่บ้านโดยอะไรโดยอะไรขึ้นก่อนแล้วก็ได้โดยอะไรเนี่ยเกณนะโดยอะไรนี่เกณนะท่านละ่ะตวงังตวงังย่อมมาล่ะอาคัตชะสิอาคัะสิอาคัะสิสู่หมู่บ้านเอาเรียงประโยคให้ถูกว่า เกณฑ์ต้ังคามังอาคัตชะสิเกณฑ์ต้ังคามังอาคัตชะสิะไม่ต้องก็ได้เพราะมีเกณฑเป็นคําถามอยู่แล้วข้อสองข้าพเจ้าย่อมมาสู่นครโดยรถไฟเปลี่ยนเกนะเป็นระเทนะอคิระเทนะเปลี่ยนตว้วงเป็น อหางก็ข้าพระเจ้าอะเปลี่ยนคัตชะ ส, สีเป็นอาคัตชะสีเป็นอาคัตฉามิามเรียงประโยคเป็นอคิรเถนะอาหารนัครั ง, นะงอาคัตฉามิอคิรเถนะอหางนัครัง อาคัตฉามิมข้อสามท่านย่อมมาสู่หมู่บ้านด้วยเท้าหรือด้วยเท้าหรือแล้วก็แปลว่าย่อมมาหรือ น, นุนจำตัวอย่างข้ อ, อ<า> 1ิบเอ็ดนั้นมาใช้อาคัตฉ ส, สิโนตวงัง สู่ไหนนะค า, ามังด้วยด้วยอะไรปา เ, เทนะจำตัวอย่างข้อ11ข้างบนนะ่ะมาเปลี่ยนคำเท่านั้นเองอาคักขชสินุตวังค า, ามังปาเทนะอักขสีอักขชสินุตวังคามังปาเทนะ ข้อสี่ข้าพเจ้าย่อมไม่มาสู่หมู่บ้านด้วยเท้านาหังนาหังด้วยเท้าป่าเทนะสูนไหนคามังย่อมไม่มาไม่ไปแล้วทีนี้ก็ย่อมมาอย่างเดียวอาคัจฉามิเหมือนข้างบนเน่ะเปลี่ยนเอาพันเตออกเอาคิละเถนะออกเปลี่ยนเป็น ปาเทนะนาหังปาเทนะคามังอาคัดฉามิ <c oughs> จะเป็นัดแล้วมั <c oughs> ้ยอะดูต่อไปอีกสักข้อ